ท่านพ่อฟานท่า น, านวันนี้เราก็มาพบกับควนอิมน้ออีกพันหนึ่งเป็นโอกาสดีๆที่พวกเราจะได้รับคำตอบเจนธรมอตานจากพระแม่กวนอิมท่านพร้อมๆกันนะจ๊ะหลังจากที่มีข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีเครื่องบินตกมีคนตาย เยอะแยะมากมายบ้างมีรถทิศตกจากทางเบือนทำให้คนเน้นต้องสูญเสียชีวิตอย่างเยอะแยะมากมายและในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งกวาดล้างมนุษย์ไปนับชีวิตไม่ถ้วนบ้าง เหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะมีกรรมสิ่งใดเพราะอะไรกันที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้วันนี้คนอิมน้อยสพาพวกเราขึ้นไปเข้าเฝ้าพระแม่คนอิมเพื่อทูลถามถึงคำตอบเพื่อเป็นธรรมทาน สิ่งเตือนใจให้กับพวกเราเพื่อจะได้ยุติการสร้างกรรมและเพื่อจะได้สร้างบุญหากมีกรรมนั้นติดตามตนมาแล้วเมื่อเรา ได้นั่งกรรมาฐานสัมมาสัมพุท ธ, ธะปัชชาสัมพุท ธ, ธะขึ้นไปสู่ดินแดนความสงบสุขณจุดที่พร้แม่ท่านทรงประทักอยู่เมื่อหนูขึ้นมาถึงที่นั่นเห็นวิมานแก้วเชื่เื่อยอยู่ตรงหน้า พร้อมทั้งจดเทียนสว่างเจิดจ้าเทียนนั้นเป็นร้อยๆเล่มได้สวยงามไปด้วยเปลวไฟของเทียนพร้อมทั้งเห็นพระแม่กวนอิมพระองค์ท่านนั่งประทับอยู่บนบัลลังก์บัวหมดจึงเดินเข้าไปนั่งอยู่ตรงหน้า พระแม่ท่านทำกลางแสงเทียนที่สว่างเจิดจ้าและสวยงามหนูชื่นทุนกราบนมัสการพระแม่ท่านมงค์ทางพุทธว่าเจ้าแม่ขวรอิ่มเท้าขาควรอิมรอ่มน้อยมาเข้าเฝ้าและขอกราบนมัสการพระแม่เจ้าคา เมื่อหนูพูดเช่นนั้นออกไปพระแม่ท่านจึงลืมตาขึ้นมาแล้วก็ทรงถามคนอิมน้อยว่าคนอิมน้อยวันนี้เจ้าขึ้นมาถึงที่นี่เจ้ามีอะไรหรือเมื่อหนูได้ฟังคำถามของพระองค์ท่านแล้ว หนูจึงทูลตอบพระองค์ท่านไปอีกบ้างพระแม่เจ้าขาก่อนอื่นนั้นหนูแน่นอนว่าหนูมีคำถามที่จะนำขึ้นมาทูลถามแต่เมื่อหนูมาถึงที่นี่หนูก็เจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้หนูต้องถามในเหตุการณ์นั้นก่อน ทำไมวันนี้แม่ถึงจดเชียนเยอะแยะเป็นหมดละเต้าคะเพราะเหตุใดและเพราะอะไรแม่ถึงได้นั่งภาวนาอยู่ในวิมานแก้วนี้ทำไมถึง ต, ต้องจดเชียนเยอะเยอะมากขนาดนี้ละเต้าคะเมื่อโนทโทถามพระแม่ท่านจด แม่ท่านจึงบอกกับมากับหนูว่าเกือิ่มน้อยหนูลืมมองไปรอบๆหรือเปล่าล่ะลูกหนูก็ลองมองดูสิไม่ได้มีแต่ตำหนักวิมานของแม่คนเดียวนะที่จุดเทียนหนูลองมองไปดูสิลูกฝั่งนู้นก็มีตำหนัก องพระแม่ทุกๆองก็มีตามเป็นจุดต่างๆเหล่าเทพเทวดาเขาก็นั่งเป็นจุดต่างๆเต็มไปหมดต่างภาวนาด้วยแสงเทียนอันงดงามและแผ่เมตตาต่างก็ภาวนากันแบบนี้แล้วส ที่พวกเราพากันทำแบบนี้นี่คือพิธีในการขอพรก่อนวันออกพรรษาของศาสนาพุทธเราซึ่งเป็นพิธีที่เหล่าเทพก็ทำกันอย่างต่อเนื่องกันมาสืบทอดกันมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัย การจุดเทียนช้ยถวายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญพระองค์ท่านและภาวนาจิตนั่งนิ่งๆอยู่ในแสงเทียนก็จะเกิดสมาธิสินและปัญญาขึ้นมาในจิตของตนอย่างมากมายและทำให้เรานั้น ประสบกับแสงสว่างในตลอดเวลาหลังจากออกพรรษาไปแล้วหากเป็นโลกนุตก็คงจะเป็นการเวียนเทียนหรือเป็นการเฉลิมฉลองในรูปแบบอื่นที่ต่างกันไปแต่้ากถ้าเป็นสวรรค์หรือเหล่าเทพ ก็มักจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีอำลาออกพรรษากันและขอพรในช่วงออกพรรษายิ่งหักจุดเทียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีแต่แสงสว่างมากเท่านั้นแน่จึง ได้ทำพิธีนี้ขึ้นมาแล้วเจ้าล่ะวัวแต่วิ่งเล่นไปทางนูน้นทีไปทางนี้ทีเจ้าไม่ทำอะไรเลยหรือเมื่อพระแม่ท่านถามจบหนูจึงทูลตอบพระแม่ท่านไปว่าข้าแม่เจ้าขาหนู กำลังทำงานภาพื้นส่วนของมนุษย์อยู่แต่หากหนูทราบแบบนี้แล้วสักประดียวหนูทำงานเสร็จหนูก็ทักขึ้นมาแล้วก็มาทำหน้าที่ของหนูเส้นเดียวกันเท่าคาเมื่อหนูพูดจบและแม่ท่านจึงพูดกลับมากับหนูว่า ละกวรอิ่มน้อยเข้าเรื่องกันสักทีสรุปว่าวันนี้เจ้ามีอะไรหรือที่จะขึ้นมาเพื่อตูนถามแก่แม่เจ้าก็จงถามมาเถิเดอย่ามัวแต่นอกเรื่องเลยแน่จะได้ภาวนาพอไปจะได้แผ่ดุนนั้น ไปสู่ดวงจิตทุกดวงด้วยเมื่อประแม่ท่านสองพูดจบโหนจึงยกมือพนมไหวพร้อมทั้งพูดกับพระแม่ท่านไปว่าพระแม่เศ้าขาในขนาดที่โลกมนุษย์นั้นมีเหตุการณ์อยู่หลายรูปแบบ ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆและหากเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้คนนั้นสะดุดใจเสียขวัญรู้สึกซึมเศร้าและเป็นทุกข์เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่บ่อยๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นหากมันเกิดขึ้นมาก็มักจะพลาดชีวิต คนไปทีละหลายหลายชีวิตเลยทุกสิงทุกอย่างก็ยอมจัดตั้งขึ้นตามกฎของเกมไปและดวงจิตหรือว่าผู้คนเหล่านั้นล่ะเจ้าคะแล้วเขามีวิบากกรรมอะไรเขาจึงต้องมาอาแบบนั้นเช่นหมูสยกตัวอย่างถามกันแม่ เป็นเรื่องเรื่องไปนะเจ้าคะ่ะหนูขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะเมื่อหนูพูดจบพระแม่ท่านก็สงงยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้หนูพูดต่อไปหนูจึงทูลถามพระแม่ท่านไปอีกว่าพระแม่เจ้าคะ่ะเส้นดังเร็วๆนี้ก็ดี และในช่วงวันเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้นก็ดีโนโมักจะได้ยินข่าวเครื่องบินตกอยู่บ่อยๆและทำให้คนนั้นต้องตายและเสียชีวิตไปพร้อมๆกันหลายๆคนในทีเดียวเลยดวงจิตเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้ว เามีวิบากกรรมมาจากกรรมอันใดเพราะอะไรถึงต้องมาชดใช้กรรมในรูปแบบนั้นละเจ้าคะเมื่อโนธโทนถามพระแม่ท่านจบงพระแม่ควรอิมท่านจึงตอบกลับมาว่ากรรมมีเป็นของของตนและมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แต่ละคน ก็จะมีกรรมที่ต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วหากต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนักๆ ก, ก, ก็คือจะเป็นกรรมที่ขกาะเคลนมาจากตนเองคนที่ต้องตายด้วยการตกจากที่สูงลงมาอย่างที่ต่ำนั่นก็มีผลของกรรมในหลายรูปแบบเช่นเดียวกันเช่นดังกลุ่มที่หนึ่ง ผู้ที่จะต้องเป็นบบนั้นก็จะมีกรรมมาจากการที่เคยฆ่าสัตว์โดยการซุ่มยิงจากที่ต่ำขึ้นสูงที่สูงพรากชีวิตของผู้ที่บินอยู่บนที่สูงแล้วถูกอาฆาตจองเวรเช่นบางคน ที่ชอบไปยิงนกยิงกะลอกยิงสัตว์ที่เขาก็อยู่บนที่สูงแล้วก็ยังจะยิงเพื่อเอาชีวิตของเขามาหากทำกรรมอย่างนี้บ่อยๆไปกรรมนั้นสะสมแต้มเยอะๆเข้าเยอะเข้าก็จะสามารถทำให้ไปติดบ่วงกรรม ของการตกเครื่องบินลงมาแล้วตายในเหตุการณ์นั้นได้เช่นเดียวกันและการที่จะก่อเกิดให้เป็นกรรมได้ในแบบที่สองบางทีก็ก่อเกิดมาจากผลของกรรมในรูปแบบที่สองนี้ที่แม่ยกตัวอย่างให้ ในอดีตชาติตอนอาจเคยเป็นทาหารนักลบที่ทำการฆ่าหรือทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นลบกันอยู่ในสนามลบยิงขึ้นไป สู่เครื่องบินหรือเกิดการวางระเบิดในเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่ล้วนแล้วมีเจตนาในการฆ่าผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นนั่นก็จะเป็นผลของกรรมอีกแบบหนึง่งหรือหากไม่ใช่ตนเองโดยเฉพาะ ก็จะมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์หรือเป็นกรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งวิญญาณเหล่านั้นยังรอคอยผู้ที่เป็นตัวตายตัวแทนและนักที่จะทำให้ก่อเกิดสิ่งไม่ดีมาสู่ลูกหลานจึงทำให้ก่อเกิดวิบากกรรมนั้น ขึ้นมาได้หากตนนั้นทำกรรมเช่นนั้นแล้วจึงต้องมารับผลของกรรมนั้นและเช่นดังรูปแบบที่สามที่แม่จะยกตัวอย่างให้เป็นรูปแบบต่อไปคนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบลออกมาเป็นจำพวกหนึง่ง เป็นกลุ่มคนที่มีจิตอาภาธและอิจฉาวิสยาอย่างร้อนแรงชนิดที่ว่าเห็นใครได้ดีไม่ได้เลยเชลถ้าเห็นใครที่จะขึ้นสูงกว่าตนหรือจะดีไปกว่าตนอยู่ในจุดที่สูงกว่าก็มักจะสร้างเหตุ สร้างเรื่องราวไปตัดลอนเขาทำร้ายชีวิตของเขาให้ตกต่ำกีดขวางความเจริญความสำเร็จของผู้อื่นคนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเช่นการหักหลังคนใดคนหนึ่งเพื่อให้ตนนั้นสูงกว่าเขา และกดเขาให้ต่ำลงไปจิตคนชั่วๆเหล่านี้ก็จะสามารถส่งผลให้เป็นกรรมให้ตนต้องมาสวยชีวิตเช่นดังนั้นต้องตกมาจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำและก็ตายไปในที่สุดนั่นก็เป็นผลของกรรมจากการที่ตกจากเครื่องบินและ เพราะอะไรจึงจะต้องมาตายรวมกันตายเป็นหมู่เป็นคณะเพราะนั่นชะตาฟ้าได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าดวงจิตนี้ดวงจิตนี้ดวงจิตนี้มีกรรมชนิดและรูปแบบเดียวกันควรที่จะชดใช้กรรมร่วมกันและตายในคราวเดียวกันเช่น ได้รับโทษทานให้สังหารในคดีเดียวกันหรือในกรรมเดียวกันจึงต้องรวมจิตวิญญาณเหล่านั้นให้มาอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ต้องถูกสังหารไปจากกฎของกรรมโ อ, อย่างน่าเศร้าใจและน่าสงสารต้องทายไปอย่างเลือดเย็นและเป็นที่ จะดุดใจของผู้คนที่ได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังเมื่อพระแม่ท่านพูดศบหนดีเชิงโทนถามพระแม่ท่านต่อไปอีกว่าพระแม่เจ้าพาะท่านอย่างนั้นคนที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุท้งรถแล้วก็อายไปทีละหลายหลายศพนั้น ก็เส้นเดียวกันใช่ไหมระเจ้าคาหรือว่าพอมีกรรมอะไรว่าหนูถามและแม่ท่านจบพระแม่ท่านจึงตอบกลับมาว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือว่าหลายๆายคน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากทางรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีที่ส่งผลให้ถึงกับชีวิตนั้นคนที่ต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่เกิดมาจากอุบัติเหตุนี้ก็ส่งผลมาจากกรรมในอดีตชาติที่ตนนั้นอาจเคยได้ก่อความวุ่นวายเดือดร้อน ให้กับผลรอบข้างชอบทะเลาะวิวาสตบตีกันสร้างความลำคาญใจบางทีตีกันซะจนเอาชีวิตของชาวบ้านที่ต้องโดนลุกลงไปด้วยและก่อความเดือดร้อนนี่แหละมันก็จึงส่งผลมาให้ตนนั้น ต้องมาตายด้วยบัติเหตุและตายด้วยศพที่เรียกว่าศพไม่สวยเพราะตนอาจเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมาในการก่อนโดยการวางระเบิดแล้วให้ตายไปทีละหลายหลายคนทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์หรือตีกันและผลทำโดนคนอื่น รอวิวาทคนเหล่านี้จึงต้องมีกรรมในการที่จะต้องมาชดใช้โดยสังโวยชีวิตตนให้กับอุบัติเหตุเมื่อพระแม่ท่านพุทธศุภชินทุนถามพระแม่ท่านกลับไปอีกว่าพระแม่เศ้าขาแล้วการที่เกิดภัยพิบัติแล้วคนจะต้องตาย เยอะแยะมากมายเลยบางครั้งก็เป็นพายุบ้างเป็นน้ำบ้างทำไมแลบราออะไรเหตุการณ์เหล่านี้จึงต้องเกิดขึ้นและคนที่ต้องมาสั่งวยชีวิตในรูปแบบนี้เพราะกรรมอะไรกันละ่ะเจ้าคะ จึงต้องเป็นแบบนั้นเมื่อโหนโทนถามพระแม่ท่านสบพระแม่ท่านจึงตอบกลับมาว่าการที่ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะคนเหล่านั้นเขาก็มีกรรมเป็นของของตอนเช่นเดียวกันและกรรมนั้นนั้น อาจเป็นคมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษได้เช่นเดียวกันเช่นหากในอดีตชาติตนนั้นอาจเป็นผู้ที่เคยเผาป่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเทวดาจิตวิญญาณพบภูมิที่ติดอยู่ในจุดต่างๆให้เขาได้เผาไหมในสัตว์ป่าก็เดือดร้อน สร้างความเดือดร้อนและทำลายป่าสร้างความร้อนให้กับโลกและบางคนก็อาจเคยตัดไม้ใหญ่ๆไปขายโดยที่ไม่คำนึงถึงสาเหตุที่จะเกิดปามมาส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นสองข้อนี้แหละลูกที่จะส่งผลมา ทำให้ตนนั้นต้องไปรับผลของกรรมของภัยจากธรรมชาติแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดในจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็จะเป็นจุดสวนรวมเหมือนกันที่รวมดวงจิตหลากหลา ย, ลายอามจะตักต่างให้มันรวมกันแล้ว ก, ก็เกิดภัยธรรมชาติขึ้น หากใครที่ไม่ได้สร้างกรรมในชาติปัจจุบันแต่หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นกับผู้นั้นก็อาจเคยมีกรรมมาแต่ในอดีตชาติบังกรหรือมีกรรมาจากบรรพบุรุษของตนบิดามารดาก็ดีและบางคนหากต้องมาชดใช้กรรมในรูปแบบนั้น ก็เพราะว่าตนนั้นได้สร้างกรรมไม่เคยคิดที่จะรับธรรมชาติและยังทำลายอีกในที่สุดตนจึงต้องมารับผลของกรรมนั้นและไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมในรูปแบบไหนและไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกทุ ก, ทกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปของมันเป็นธรมรมดา กฎของกรรมก็เช่นเดียวกันเขาก็จะรวบรวมอย่างสมมติว่านักโทษกลุ่มนี้มีความผิดคล้ายคลึงกันควรจะนำไปประหารในวันเดียวนั่นก็จึงจะรวมตัวของดวงจิตเหล่านั้นมาแต่ว่าแต่ละดวงจิตก็มีบุญและวิบากกรรมที่ต่างกันมา ถึงแม้ว่าจะตายพร้อมกันและตายในเหตุการณ์เดียวกันแต่จิตของแต่ละดวงก็มาและไปต่างกันเพียงแต่ว่ามีโทษของกรรมที่ต้องมารับในเวลาเดียวกันเท่านั้นาตายไปแล้วต่างก็จะได้ไปเป็นเป็นไปตามการกระทาของ จนบางคนก็ต้องไปติดอยู่ในจุดต่างๆและชดใช้วิบากกรรมจนกว่าจะหมดกรรมส่วนบางคนเมื่อตายปุ๊บก็ถือว่าหมดกรรมแล้วก็ย่อมที่จะได้ไป บางคนนั่นอาจจะเป็นขาวเพราะครัสุดท้ายแล้วที่จะหมดกรรมเพราะตนนั้นได้สร้างคุณงามความดีและเป็นคนดีมาโดยตลอดแต่เหตุการณ์นั้นอาจเป็นหนึ่งในบ่วงกรรมในอดีตที่เขาและเธออาจได้สร้างเอาไว้ในชาติใดชาติหนึ่ง จึงต้องมารับผลของคำนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปก็มีสิทธิ์ที่จะปรับภูมิจิตขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นกายทิพย์นางฟ้าเป็นเทวดาไปอยู่ในจุดที่สูงได้ตามภูมิจิตของตนและบางคนก็อาจกลับไปสู่พาดานกลับไปสู่ภพภูมิ ที่ตนนั้นได้เกิดมาท้ายที่สุดแล้วการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดทุกสิ่งทุกอย่างก็มีขึ้นและดับไปเป็นธรมรมดาของมันอยู่ดีให้จงเตือนสติเตือนใจตนเองไว้เสมอว่าจงกระทำแต่สิ่งที่ดีจงอย่าคิดแต่จะทําในสิ่งที่ชั่วแม้สักนิดเดียว คนของกรรมมันย่อมจะตีรอบ ก, กลับมาแม้โลกก็ยังเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะวนกลับหากันไม่ได้เมื่อพระแน่ท่านพูดจบโหนเชิงกราบขอพระคุณพระแม่ที่ส่งให้พระธรรมคำสอนแก่หนและพูดว่า คนอิ่มน้อยขอพระคุณพระแม่เจ้าค่ะที่โชงให้ธรทำคำสอนกับหนูหนูจะขอลาแม่ก่อนนะเต้าคะแม่จะได้ทำพิธีต่อไปและหนูเองก็จะได้ไปดำเนินการทำพิธีของหนูแส่เดียวกันออกพรรษาแล้วขอให้พระแม่มีความสุขมากๆนะเจ้าค่ะ หลังจากนั้นหนุมเสื้อดากรับออกมาจากที่นั่นและมาคัดคริตเพื่อทานทานเป็นธรรมทานมาส่ท่านผู้ฟังทั้นหลายด้วยกัน น, นะออกพันษาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้มโนธนาบุญหลังจากที่เราได้ฟังธรรมาตลอดพันษานี้ในช่วงเวลาของการอยู่ในพรรษา ท่านมาโยตลอดขอให้ผลบุญกุศล น, นั้นแผ่ไปถึงคุณบิดามารดาคุบบอาชาญผู้มีพระคุณญาติสนิทมิตสายของพระธรรมุดทุกคนและขอให้จะมีแต่ความสุขตลอดทั้งปีทุกๆคนนะจ้าและไว้พบกับคนอิมน้อยใหม่ในวันหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ